าถามทุกคำถามมีคําตอบอะถามออกมาจากใจเลยสงสัยอะไรถามเลยพูดใกล้ใกล้ใหม่นะใหม่ไม่ค่อยดูดเสียงผู้ใกล้ใหม่ใหม่ไม่อย่างนี้นะคะอย่างนี้ได้นะฮะได้ได้เอาเลยตาฮะถ้าเรารักษาใจได้ตลอด เวลาเราจะรักษาอะไรไม่ไม่ได้ก็ไม่ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วรักษาใจนั่นแหละเป็นยอดแล้วรักษาใจรักษาใจไม่ได้ยังอื่นก็เสียหายหมดรักษาใจได้ก็นั่นแหละสุดยอดที่สุดแล้วค่ะเป็นยอดแล้วค่ะรักษาอะไรไม่ได้ขอให้รักษาใจไว้นั่นแ่ะเป็นยอด <ๆ S 2> อ่าเอาคิดถามว่างไงนะใจกับจิตต่างกันไหมคะ ถ้าพูดถึงเรื่องจิตดั้งเดิมแท้ๆที่มาเกิดเนี่ยวิญญาณหรือจิตหรือใจหรือมโนคืออันเดียวกันคือที่ที่มาเกิดเออวิญญาณเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่แรกอันนี้คือเอ่าเป็นอันเดียวกันเลยเรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าอวิญญาณก็ได้อ๋อเป็นคำชื่อเดียวกันอันนี้เป็นตัวเดียวกันหมดเป็นตัวเดียวกันหมด แต่เวลาพูดในบางทีเขาก็จะใช้คำพูดไปด้วยว่าถ้าพูดถึงความปรุงแต่งเราก็จะเรียกว่าจิตปรุงแต่งคือถ้าเป็นจิตเดินแท้คือที่ที่มาเกิดนี่มีสภาพรู้อย่างเดียวตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนของจิตไม่มีรูปร่างของจิตมีแต่รู้แต่ถ้าเป็นจิตปรุงแต่งมันจะมีอาการปรากฏเช่นมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิณค่ะ คือมีความมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความจำได้หมายรู้มีการรับรู้ทางตาหูจมูดินกายใจอย่างนี้เรียกว่าจิตปรุงแตง่งลคนเราเนี่ยถ้าพูดถึงตายแล้วนะคะพอตายแล้วเนี่ยวิญญาณหรือจิตเนี่ยมันออกจากร่างเราไป ม, มันไปไหนได้อ๋อไอ้มันอยู่ที่ว่าถ้า กับคืนสู่ใจแท้ๆที่เป็นแต่รู้ตัวตนไม่มีนั้นก็หายตัวไปเลยหายตัวไปคืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแต่ถ้าเรายึดอะไรไว้เรายังไม่ปล่อยวางความหลงยึดเราก็จะไปเกิดในสิ่งที่เรายึดไว้แต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่ไม่สามารถทําให้ไปเกิดกับสิ่งนั้นได้เช่นว่าบุญกุศลเราไม่พอเรายึดคนไว้เราก็ไม่สามารถไปเกิดเป็นคนได้เราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ในฉาญในบ้านเขาอ๋อมันอยู่ที่ว่าเรายึดอะไรไว้แล้วก็บุญหรือบาป ที่ส่งผลไปด้วยอ่าเจตยึดอะไรก็ไปตรงนั้นถ้าสิ้นยึดปุ๊บก็กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าอันนี้หายตัวไปต้องมีสติตลอดไม่ไปยึดถูกต้องไอ้วางทุกสิ่งอ่ะใช่เลยโยมก็รู้ว่าใจเราเนี่ยบางเวลาก็ก็ได้บางเวลาก็ไม่ได้แต่โยมก็พยายามรักษาให้ตั้งอยู่ในความสงบบางครั้งไม่สงกโยมก็บางเฉยให้จัหต นั่ถูกต้องแล้วคือจะสงบก็ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลวงปูทาจารุธรมโมทันว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอานั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาหรือวางเฉยนั่นแหะ น, นั่นแหะคือใจใจที่สิ้นยึดสิ้นยึดคือสงบก็ไม่ยึดไม่สงบก็ไม่ยึดอย่างนั้นน่ะเรียกว่าถึงซึ่งใจสิ้นยึดเรียกว่าอุเบกขาหรือว่างเฉย em i i ú p để có đủ nhiên chị đ a n h o a nó trên tan luôn lấy cây rồi cứ lùn cứ n ằ đi lên lên lên đó nó ả อาชีพมรคแปดมิยาโอมีโงแปดสัมมาอาชีวโวออการประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลมิผิดธรร ม, มก็ใช้ได้ถตาเราไปลงทุนไม่ได้ว่าลงทุนในหุ้นแบบเล่นการพ น, นันแต่ลงทุนเป็ น, ป น, ปนหุ้นหเปนห็นหุ้นเลี้ยงชีพอ่า RTS อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ NTS <c oughs> อะไรนะกองทุนเลี้ยงชีพ เขายกอนไรภาษาอะไรเลยไปแล้ว R P R P S หรืออะไรนะะแล้วแต่ A T F หรืออะไรเอจำไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการลงการที่ต้องไปเรียกว่าเงินออมเงินออมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างไม่ได้เป็นการสปนานก็ใชไหมอันนั้นมันไม่ผิดมะเรอก็ไม่ผิดอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจะทำโยงฝากกระทนอีกที แต่ถ้ามันเป็นการเล่นแบบเล่นไปเล่นหุ้นแบบเล่นการพนันน่ะจิตใจมันจะแกว่งแล้วมันจะวุ่นวายมันจะมันจะวุ่นวายแล้วทำให้ใจไม่สงบเดี๋ยวมันก็อยากจะขายเอากำไรเดี๋ยวก็อยาจะอะไรนะขายไปได้น้อยหน่อยก็เสียใจจิตใจมันไม่สงบเกไม่้วเอออันไหนที่ทําให้จิตใจเราไม่สงบในร่มเย็นเราก็สัเกตเอา เราไปทําอะไรแล้วทําให้จิตใจเราว้าวุ่ น, อ ย, น, นอย่างนี้ไปเล่นแบบเหมือนการพนันจิตใจมันก็เลยเดี๋ยวก็จะต้องวิ่งซื้อวิ่งขายคือเก่งกาไรนี่มันสูงไปนี่มันต่ําไปอะไรไปเราต้องดูว่ามันจะทําให้ใจเราสงอบได้ไหมนะ่ะมันก็ยากอยู่มักกะดาลัางการค่ะการนั่งสมาธิให้ถามตัวเองว่าผู้รู้คือใครจะถามอย่างไรคะก็คือสําหรับผู้ที่คอยไปติดอาการ เวลามันใจมันสงบนิ่งว่างเฉยโปรง่งโล่งเบาสบายหรือมีแสงสว่างต่างๆเนี่ยหรือมีอาการที่ตรงกันข้ามเนี่ยแล้วชอบจะไปยุ่งกับอาการเหล่านั้นเนี่ยถ้าอาการ ใ, ใดๆที่มันถูกใจหรือว่าอาการที่ถูกรู้เขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ใดก็ตามที่มันถูกรู้เนี่ยมันนิ่งว่างเฉยสงบสบายสว่าง โป่งโล่งบบสบายและชอบมากเลยแล้วไปติดแชร่อยู่นั่นแ่ละแต่มัน ม, มีอาการตรงกันข้ามก็หรือมีอารมณ์ตรงกันข้ามก็ดิ้ลนผักใสมันเลยยึดยึดตั้งขึ้นตั้งล่องแบบเนี้ยเราก็ให้ให้ถามผู้รู้อ่ะถามใจเราเนี่ยถามตัวเราเนี่ยว่าใครเป็นคนรู้ว่าเราสบายเราไม่สบายใครเป็นคนรู้คนอื่นเขาไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยสบายหรือไม่สบาย คันถามเข้าถามเจ้าถามเจ้าต yes, well, so, uh, right? right. uh, okay. no ัวเองอ่ะจะใครคนจะตอบว่าใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนรู้ว่าเราสบายไม่สบายนี่ใครเป็นคนรู้เรารู้นั่นแหละไอเรารู้นั่นแหละให้รู้ตรงเรารู้ตรงเราเนี่ยที่มันให้รู้ตรงเราอันนั้นคือผู้รู้อันนั้นแหละรู้ตรงเราเนี่ยไอตรงเรารู้เรารู้กับรู้ตรงเราเนี่อเดี๋ยวเรามันกัดจักเข้าใจเองให้รู้อย่างตรงตรงนั้นเน่ยอย่าไปสนอย่าไปยึดถือไอสิ่งอารมณ์ที่ถูกรู้หรือว่าอาการที่ถูกรู้ ทำบุญด้วยจิตทำอย่างไรคะทำบุญด้วยจิตอ๋อก็ก็ทําได้ใจแหละทำบุญด้วยจิตหรอือทําได้ใจก็คือว่าก็คือทําทําแล้วใจมันมีความสุขใจแล้วมันอิ่มเอิบเป็นสุขคืออิ <tid> ่มเอิบเป็นสุขิเป็นที่เป็นได้ให้ได้สละออกไปเรียกว่าเป็ติ blind, เ, เรียกว่ามันเป็นปิติก็ได้เป็นสุขก็สุขปิติสุขมันก็เป็นสุข พิธีก็เป็นสุขชนิดหนึ่งคือทําแล้วมันอิ่มเอิบในบุญกุศลที่เราทําไม่ว่าจะบุญกุศลจะเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้ <Okay. S 1> อ๋อค่ะอ่ามันอิ่มเอิบในทานที่ที่สละออกไปในศีลที่รักษาใจไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์กายว่าใจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในใจที่รู้ละปล่อยวางภาวนาไม่เข้าไปยึดติดอะไรแล้วก็กิเลสก็เบาบาไปเรื่อยเรื่อยเอยบาบางไปเรื่อยเืยสละไปเรื่อย ไม่ไม่ทําความทุกข์เดือดร้อนให้แก่คนอื่นบาป ก, กรรมทั้งหมดก็ะละหมดแล้วไม่ผิดศีลห้าแล้วก็ทานศีลภาวนาวก็เร่งประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วก็อิ่มเอิบในทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาใจก็รู้ละไปวางไปวางป่อวางความหลงยึดม้านถือบ้านไอ้มันดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือปล่อยวางมันไปไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรใจก็วางเปล่าแล้วก็อิ่มเอิบ ในบุญกุศลที่ตัวเองทําไว้คือทั้งทานต้องศีลั้องภาวนาใจมันก็เป็นสุขใจการภาวนาเนี่ยนะคะเมื่อครั้งเราเราจะคิดว่าเอ๊มันมาติดสุขมันติดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนได้เลยก็เนี่ยแหละภาวนามันติดสุขไปไปหนได้าจึงต้องเข้าหาผู้รู้มาว่าใครเป็นคนรู้ว่าใจเราเป็นสุขใครเป็นคนรู้ก็เราเองก็เรารู้ก็รู้ตรงเราเนี่ยแหละรู้ที่ตัวเราเนี่ยแหละรู้ตรงเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเราเนี่ย มันจะพูดอะไรอยู่คนเดียวได้พูดอยู่คนเดียวได้นั่นแหละมันก็จะหลุดพ้นจากที่ติดสุขแล้วมาปล่อยวางตัวเราอีกทีหนึ่งคือเหตุที่ต้องมารู้ตัวเราก็คือปล่อยวางตัวเราเพื่อจะมาปล่อยวางตัวเราไอ้ตัวเราที่ไปติดสุขไปไหนเราพอตัวเราไปติดสุขเราก็ถามว่าถามตัวเราว่าใครว่ารู้เราเรามีความสุขเราก็จะตอบว่าตัวเราจะเป็นคนรู้แต่เราก็รู้ตรงตัวเราแล้วก็ปล่อยวางตัวเราเราก็จะปล่อยวางตัวเราก็จะพ้นจากทุกได้ คือคนจากตัวเราที่ไปติดถุกได้เพราะว่าเราปล่อยวางตัวเราไปแล้วแล้วุเราเวลาเราปฏิบัติเราภาวนาอยู่นะคะเราเน่าสมาธิอยู่เนี้ยเราจะมีเจอเห็นเข้าป่าเห็นพระทุดงอะไรต่างๆอย่างเนี้ยติดเป็นไงภาวนาเราไปเห็นนิมิตเข้าป่า เ, เป็นพระทุดงอยู่ในป่าแล้วจะเห็นพระทุดงท่านเดินเป็นแถวมาอก็แสดงว่า น, นี้เป็นนิมิต ท, ที่ดีว่าใจเราเป็นพระค่ะ อ่าใจะเป็นพระแล้ว อ, อันนั้นน่ะกลายเป็นผู้หญิงแต่จายเป็นพระอือค่จะจายเป็นพระและ <ขา S 2> ้วเลยนิมิตอ่าไปไปเข้าป่าเดินตุดงไปกับพระเห็นพระตุดงอนนั้นไหนเรียกว่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคืออ่านั่งภาวนาอยู่นั่งอันนี้นมันเห็นเป็นทางสว่างกว้างขวางมากแล้วก็ไม่มีคนเลยแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เห็น เห็นว่ารถเก๋งคันหนึ่งมันจอดอยู่สุดสายตาเราเนี่ยก็มีคนอยู่สองคนยืนอยู่ข้างๆโยมก็เลยว่าเอ๊ะมันมันมันที่ไหนก็ไม่รู้ว่างานที่ไหนเราก็ไม่รู้งองมองมองไปก็สุดสายตามันเราไม่ขานกันไม่ได้โยมก็มองมองดูรถฉนั้นใจก็คิดว่าอยากจะไปก็เขาใจนะฮะตอนนี้มันมันมันมันขานกันไม่ถึงมันใจสุดสายตาเลย ทานก็ไม่ได้ก็เลยนั่งนั่งต่อไปนั่งเฉยๆอันนี้เขาจะมารับแล้วถ้าเราไปเขาก็ตายเลยถ้าอยากไปอยู่แล้วจะอยากไปถ้าไปหลงไปเขาก็ตายเลยเออเหรอคะเออแต่มันมันยังไกลมากเราก็เออแหมไม่มันอยู่ใกล้ๆเราเราจะได้ไปด้วยจะไปเขาก็ตายเลยแสดงว่ายังมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกับหงตาอยู่ค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งเราก็เคยว่าคิดอยากจะไปอยู่แต่ว่า มันทําไมไม่ไปซะทีงเนาะฉันพร้อมแล้วนะท่านพญามัจจุราชมันไม่สบายมากตอนนั้ น, นะอะแบบท่านพญามัจจุราชฉันพร้อมแล้วนะหอรับฉันไปเชอญว่างท่า น, น, าา น, านก็ท่านก็ไม่พูดท่านเกนานชาก็มองคื่อผู้หลับตาเห็นภาพ嘛หลัตาเห็นภาพอย่างนี้เรียกว่าโมนโนหรือว่าอะไรฮะก็คือมันปรากฏแนไหนปรากฏในนิมิตค่ะ ปรากฏ น, น, นี่มิตรไทเราเห็นเนี่ยบอกมาลับฉันตา <ละ S 1> ยเจเจอฉันอยากไปแล้วฉันพอ <c oughs> อ่อเนาะเอนี่ยก็ปล่อยวางนะฝึกทางปล่อยวางตายก่อนตายอ<ภ>ย่างเงี้ยดีแล้วจะได้ไม่ต้อกลัวตายปล<ภ>่<ภ>อยวางปล่อยวางก็อันนี้ก็คือฝึกตายก่อนตายไม่กลัวไม่ห่วงใยไม่กัววงว อ, อไม่ห่วงใยไม่กังวลนะ<ภ>แล้วก็สังขารร่างกายปล่อยมันดับไปแล้วก็ร่างกายก็ปล่อยมันดับไป จิตใจก็คือส่วนที่เป็นสิ่งที่พุงแต่งเวทนาสัญญาสักษณะนิยายก็ปล่อยมันดับไปไม่ห่วงไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นผมสายอล่ยพระท่านหมดเล้วพูดถึงการติดโศกเนี่ยเราก็ต้องรักให้ได้นะเขาหาผู้รู้ก็จะหลุดมันจะไมติดอะไรเขาหาผู้รู้ผู้รู้สึกใครเป็นผู้รู้สึกก็เราผู้รู้สึกก็ปล่อยวางที่ตัวเราอออต้งรไก็จะไม่พอปล่อยวางตัวเราก็จะไม่มีตัวเราติดอะไรออ เราก็ปล่อยกับรู้อยู่กับรู้นี่แหละอยู่กับรู้ที่ไม่มีตัวตนนั่นแต่รู้ตัวตนของผู้รู้ไม่มีหรอกนั่แต่แค่รู้แต่สัรว่ารู้อยู่กับรู้อยู่กันน่ะรู้ที่ไม่มีตัวตนอยู่กับรู้ไว้มันคงมันจะเป็นยังไงปล่อยวางให้หมดเหมือนโยมเมืช้าเขามาปรึกษาเนี่ยเขาว่าเขาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางร่างกายได้หมดแล้วไม่ยึดถืออะไรแต่พอเมื่อคืนเนี่ยเขาก็นอนพินาาอยู่เขาก็อยู่กับรู้อย่างเงี้ย แล้วก็เห็นตัวเขาค่อยๆร่างกายเนี่ยมันค่อยๆจะตกเตียงวันนี้เกิดความค่อยๆกับเหมือนก่อมยึดเป็นมาร่วมหนึงว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะตกเตียง<ไ>มันก็เลยถอนอจริงๆเนี่ยเขาเลยรู้ว่าเอีนตีทอมตีทอมรู้สึกว่าเขาปล่อยวางร่างกายได้จริงจะได้ปล่อยไม่ได้เลยมาถามบอกว่าก็ให้อยู่กับรู้แล้วปล่อยวางกายมันจะเป็นอะไรปล่อยให้มันตายไปเลยแล้วไปอยู่กับรู้ไว้ อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ไว้เอ่ใช่แค่รู้อย่างเดียวอรู้เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหรอกมันจะได้หายตัวไปอ๋อต้องให้รู้อย่างเดียวใช่แต่ถ้าเรารู้รู้มันได้แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นการหลงอ่อ้าวแค่อยู่ก็รู้มันจะหลงไม่ใช่ชื่นบอกแล้ว่ารู้รู้อย่างเดียวถ้าหลงก็ไม่รู้สิเออถ้าถ้าอะไรเกิดขึ้นรู้หมดแล้วก็รู้ว่าไม่ติดไปรู้ว่าไม่หลงไป็ดับอะไรรู้ว่าไม่ยึดอะไรรู้ไม่หวงไม่กังวลอันนี้เรียกว่ารู้นะอือแข็งมากเลย คนหลังคนที่ปากมาถามให้มาถามเองดีกว่าไม่สะดวกโยมที่เป็นผู้ชายใจบาตรจะมาเช้าใครอ่าไหนอ่าถามให้หมดเดี๋ยวคำถามมาปิดปึ้งเลยโยมอยากจะถามว่าผู้ใกล้ใหม่ไหนผู้ใกล้ใหม่ท่านจะหวังผลเพื่อจะค้นทุกข์อย่นี้จะเป็นกิเลสกันหานหคะตอนแรกก็ต้องตั้งใจซะก่อนที่ปรารถนาความค้นทุกข์ในปัจจุบันพอทุกอย่างสังเกตพวิญญาณหมดแล้วได้ปล่อยวางอย่างอื่นทุกอย่างแล้ว ก็เลย อ, อัสุดท้ายก็คือความปรารถนาความพ้ทุกข์หรือนิพพานเนี่ยก็ปล่อยวางลงไปเพราะว่าอย่างอื่นได้ปล่อยวางหมดแล้วก็เหลือแต่ความปรารถนาพระนิพพานปล่อยปรารถนาความพ้ทุกข์อันสุดท้ายก็ว่างลงแล้วก็จะคนทุกข์ต้องปรารถนาพนิพพานในปัจจุบันนี้ซะก่อนต้องตั้งตั้งความปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันนี้ซะก่อนแล้วก็ไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่ห่วงไม่กังวลเสร็จ แ, แล้วก็มาพิจารณาดูริงว่า อะไรที่ยังยึดถืออยู่สุดท้ายก็คือไม่ยึดถืออะไรแล้วแต่ยังยึดถือพระ น, นิพพานที่จะห่วงใจปราถนาจะไปเอานิาพพานเอานิาพพานก็วางลงซะถ้าไม่ไม่วางไม่วางความยึดถือที่จะห่วงใจที่จะไปเอานิาพพานก็จะไม่บรรลุนิพพานก็อันนี้จะคาบุญทุกครั้งก็หวังนิพพานอย่า ง, าง เ, เดียวแต่ไม <c oughs> ่กล้าเราจะไปได้ตามที่หวังนิพพานเออทำเหตุทำเหตุอยู่ในปัจจุบันไม่ไม่เลิกไม่ละไม่ปลออ่อยไม่ไม่มันไม่ไม่ไม่ละเหตุ ไปวางตลอดปวางตลอดก็ไปได้ค่ะถามเจ้าราการค่ะคนที่มีวิฉาทิตินะฮะจะทําอย่างไรให้ควบคุมใจให้ได้เจ้าคะเออเขายังเห็นผิดอยู่มันมันยังควบคุมใจไม่ได้หรอกเพราะมันจะเป็นความเห็นผิดอยู่ต้องต้องทําความเห็นให้ถูกก่อนทําความเห็นให้ถูกองก่อนให้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนอ ม, นมีปัญญาเห็นชอบก่อนเพราะเขายังเห็นผิดมันจะไปควบคุมใจไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ยังควบคุมใจที่ผิดผิด แต่ต้องมีมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้ามิจฉาทิฏิมันจะต้องมามามิจฉาทิฏฐิอะไรล่ะมันไม่ค่อยมายถอะไรผิดยังไงที่เป็นมิจฉทิติก็จะต้องมาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจสัก่อนโดยจะแนะนำคอยกังเขาก็ทำได้เเออเขายังมีทิฏฐิอยู่เขายังมีทิฏฐิเขาแรงกล้ามากเลยค่ะถ้าคนมีทิฏฐิอยู่ยังไงบางทีเขาก็อยากก็ไม่ยอมฟังใครเลยต้องปล่อยไปตามเจตหากับค่ะเอ การลัมไทร์เก๊กนะคะออกเป็นการออกกําลังที่ให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมหายใจและคือเป็นการออกกําลังกายจะว่าเป็นการเดินตรงกรมใช่หรือไม่เจ้าค่ะการลัมไทร์เก๊กเนี่ยถ้าเรารู้กายด้วยรู้จิตด้วยมันก็มาเท่ากับเป็นการปฏิบัติในตัวนั่นแหละค่ะเออ การเดินจงกลมเราลู้กายรู um> okay. JI, okay. ้จิตไม่ไม่ยึดอะไรไม่ยึดสังกายยึดจิตก็เรียกว่าเนี่ยนะคือการปฏิบัติธรรมไปด้วยอเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้กายรู้จิตไปด้วยเราไม่ยึดสังกายยึดจิตก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเลยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการเดินจงกลมการนั่งสมาธิการลํามไซเก็กหรือทํากับข้าวอยู่เข้าลงน้ําของส้วมอยู่เราเนี่ยรู้กายรู้จิตรู้กายรู้ใจของเราแล้วปล่อยวางครับ ตลอดเวลาเลยไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวลอะไรอ่านใจเตให้ขาดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมแ เล้วเวลาไปไปลันแท้เก่งอย่างนี้รู้สึกมันจะเป็นการสนุกสนานแต่ว่าเวลาเราลันเนี่ยเราจะมีจิตมุ่งมั่นอยู่กับลมหายใจบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยการแต่เราจำที่มันจะไม่รู้แใ่ร่างกายอย่างเดียวที่ลั่เคลื่อนไหวแต่มันไม่รู้ใจของตัวเองค่ะว่ามันคิดความต้องปรแต่งอะไรแล้วเราลงที่ไปกับมันหรือเปล่าปล่อยให้จิตเขาแสดงอาการพอมีความคิดสุดท้อขึ้นมาเองแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดบ้านถึงบ้านไปสุงที่สุดของมันเลย ใส่สิ้นิ้นความยึดมั่นถุกมันการใส่บาตรทุกเช้าหรือทุกครั้งที่ได้ทําบุญก็จะอธิษฐานจิตล่ะจะได้ตามที่เอาอธิษฐานหรือไม่เราก็อธิษฐานไว้แล้วบางทีมันไม่ได้บางทีเราวันทีคนก็ทาบุญเล็กๆน้อยๆอธิษฐานร้อยผูกไว้แล้ววันที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้เป็นกิเลสจะว่าอธิษฐานแล้วอะไรก็ได้ทุกอย่างเมื่อี้เราอนั้นเป็นกิเลสใช่ไหคะ เป็นกิเลสอาจจะอธิษฐานมาในทางถามแ่ว่าอธิษฐานในสิ้นสิ้นกิเลสในปัจจุบันหรือผ่านในปัจจุบันมันยังไม่ได้ทันทีแล้วทุกอย่างก็ต้องทําเหตุปัจจัยของมันทําเหตุได้ถูกเออทําเหตุได้ถูกอยากร่ํารวยก็ให้ทานออยากสวยรับผิวพรรณดีแล้วก็ต้องรักษาศีลออยากมีปัญญาก็ต้องภาวนาอยากปนทุกก็ต้องภาวนาทําเหตุได้มันถูกแล้วพอักษาถึงแปดสุกันแล้ว ดีแล้วแล้วสินห้าใยประกำใหญ่แต่ ไ, ไม่าว่างาท่านจะเมตตารือว่าจะเอาสินข้อไหนอีกบ น, นงค่ะเออคาร า, าวาสคาราวาสถือสินห้าบริสุทธิ์ข้อสามถือคมอจันคร์ก็บรรลุนิพพานได้อ๋อค่ให้ใจเป็นพระนะแต่ไม่ทรา่าจะไปได้แค่ไห น, นจะหมดเวลาพระฤกษ์ที่อ๋อแน่ๆก็เร่ปล่อยวางเร่ปล่อยวางปล่อยวางไม่ห่วงใยไม่กังหลนะมา<ห>ยึดถือ ไม่วยย่องไยไม่กังวลไม่ยึดส่วนมากมยโ ย, ย ม, มจะไม่วกองไ ย, ยไม่กังวลว <c ười> นมากโยมก็ชายิฐานเรื่องตายอย่างเดียวขอให้ให้โยมตายโดยไม่ได้รับความเจ็บปวดให้น้อยที่สุด ก็ต้องดูอ่านใจตัวเองอปัญหาความตายความดับลงในปัจจุบันตายตายตายตายแต่ต้องตรสอบดูนะว่าอย่างยึดถือยังห่วงใหญ่ยังต้องบนอะไรหรือเปล่าต้องมีสติเลยนะต้อนมีสติอยู่ว่าที่ตัณหาที่ติขาดก็ยังต้องขาดเลยนะติขาดก็ไปกับที่ยึดถือแหละถ้ามันไม่มีที่ยึดถือซะแล้วมันก็ไม่เปที่ไปหรอกว่านั้นวันั้นที่อยู่ที่สวนที่สวนเองเนี่ย ไปป่าไม่ใช่อยู่ที่ที่จะเราไปทําบุญน่ะเช้าวันนั้นอ่ะโยนก็ไม่สบายไม่ค่อยสบายเออไปอยู่ที่เมืองโบราณนะคะโยนก็โยนลมไม่สบายตั้งแต่ตอนเช้ารู้สึกมันไม่ค่อยดีแล้ก็แข้งจ่ายไปไปแล้วนี้ก็อยู่แล้วมันไม่เป็นสุขมันไม่สบายตลอดโอ้โหจคอเป็นไงเนาะก็เลยบอกเทพจรารับฉันไปเชื้อฉันกำลังจะไป เทวดาก็ไม่มารับอะไรเงี้ยฉันก็เลยก็เลยไม่ได้ทําะไรน้าภาวนาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไปไหนก็ไปกันเลยฉันไม่่วงเลไม่มีใครมารับแล้วไม่มีใครมารับหายไม่มีใครมารับไปเราต้องหายตัวไปไม่มีใครมารับไมไปกับใครไอ้มันหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีไม่มีตัวตนของเราอีกแล้วไม่มีตัวตนของเราอยู่ในตัวเราไม่มีตัวตนของเราออกจากล่างเราไปไม่มีตัวตนของเราออกจากล่างเราไปไม่มีใครมารับตัวเราไป เราตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนของเราแต่แรกแล้วมันก็หายตัวไปไม่ก็ไม่เรียกให้ใครมารับเราจะพิจารณาถึงความสิ้นไปดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่ไม่จะว่าเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเรียกคนมารับเรียกคนมารับตัวเราไปไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราเหลือนะเออไม่มีตัวเราเหลือไม่เหลือตัวเราก็พังไปนะโยนเรียกเทวดาใหญ่เไม่มีตัวเราเหลืออยู่เออไม่มีตัวเราเหลืออยู่ มีตัวเราเหลืออยู่ไม่มีตัวเราเหลืออยู่ไม่เหลือตัวตนของเราอ<ม>จะไปเอาอะไรจะไปเป็นอะไรไม่มีตัวเราเหลือออกจากร่างเราไปให้ใครต้องลากเราไปมาพาเราไปอไม่ต้องเรียกใครมารับเราใ้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเหมือนดั่เปลวไฟเตียนที่สิ้นเชื้อหรือเหมือนดับไปเปลวไฟเตียนที่อยู่ต่อหน้าถูกเป่าดับไปค่ะไม่เหลือไงทุกอย่งใช่ดับไปเหลือแห่งกิเลสตัณหาความป่ารถนาทั้งมวล ถาดับตรงได้ก็ไปได้ไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนเหลือไม่ต้องเรียกใครมารับอีกนะท่นเนี้ยเรียกไปว่าดับไม่สบายมากๆก็เรียกยมมาทูดเลยเนี่ยยมาทูดมารับฉันด้วยการรักษาจิตนะพระอาจารย์นะอาจารย์ค่ะการรักษาจิตที่อยู่ในในทุกๆสถานที่จะรักษาอย่างไร รักษาที่ใจที่ใจเราถ้าใจไม่เจตนาจะล่วงละเมิดศีล น, นั่นแนะก็จะเป็นศีนลตลอดเวลาเออไม่ไม่ละเมิดอย่แ้วอูใจ<ะ>ถ้ารวมๆหายใจเข้าออกแต่จิตไม่กําลังจิตไม่มีกําลังนะฮะเราจะทำอะไรจึงจะให้ดีกําลังก็ฝึกสติมากๆอย่าให้ขาดสติโอ้ขาสตินั่นแน่คือกําลังของจิตถ้าขาดสติแล้วกําลังของจิตก็ไม่มีอย่าขาดสติ จะปล่อยให้เหมาเผลอตั้งพยาตั้งสติเออใช่สติอันเดียสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันรู้ที่ไหนล่ะก็รู้ที่ใจของเจ้าของสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจของเจ้าของแหละ ไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่หวงใยไม่กังวลอะไรดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่มีเหลือตัวเหลือตนไม่มีตัวไม่มีตนตายแล้วไม่มีตัวเราออกจากล่างไปไม่ต้องให้ใครเรียกเรียกใครมารับเราอีกตอนนี้หายตัวไปจประยอมก็คิดว่าชายอมไปตอนนั้นก็คงดีนะเพราะจิตตอนนั้นมันไม่ไปว้าวุ่นกันหลังนอกจากนอกจากใหญ่ ไม่ดีตอนที้ว่ามันจะต้องมีใครมาพาเราไปยังตัวตันที่ก็าพ า, าไป <c oughs> มันยัต้ังสิ้นความเป็นตัวตไปไเรื่อตัวตนถ้าเรารู้ทุกต้องไปรู้รูปนามรูปหรือนามก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงจะต้องไปรู้อะไรพราะเร า, ากราร็รู้ว่ารูปจิตรู้วทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงแน่น<อ>แนะก็คือร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง แต่มันรู้รู้ลงแก่ใจรู้จนถึงใจว่าลูกนามเป็นของไม่เที่ยงหรือขันห้าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เหลือตัวเหลือตนไม่มีตัวตนของเราที่บอกว่าไม่มีตัวตนของเราพอจากล่างไปแล้วต้องต้องให้ใครมาเรียกมารับตัวเราไปอีกเพราะว่าลูกก็คือร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนับเลยผูกพันส่วนจิตเนี่ยจิตคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา สรุปแล้วทั้งร่างกายและจิตหรือใจที่มันปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา่วาคือไม่ยึดว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราหรือไม่งั้นก็ไม่หลงยึดว่าจิตเนี่ยจิตหรือมีตัวจิตเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราหรือมีตัวเราอยู่ในร่างกายเหล่านี้คือกายจิตอะ ม่ยึดถือร่างกายแต่ยึดถ hmm. yes, okay. like ือเอาจิตเป็นร่างกายของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเลยกลายเป็นว่าไม่หลงไม่ไม่ว่าในร่างกายของเรามีตัวเราทุกกะมีจิตเนี่ยเป็นตัวเราไปยึดจิตเป็นเราจิตเป็นตัวเราจิตก็คือที่มีความคิดเนี่ยตัวเราที่คิดนึกนคือตองได้ไปยึดเอาตัวเราที่คิดนึกนคือตองเนเป็นตัวเราแต่ไม่เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ตัวเราที่คิดนั่นคือตองได้ตัวเนี้ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เราก็จะปล่อยวางทั้งในกายเนื้อแล้วก็กายจิตไอ้ที่ตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกและคิดอารมณกได้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังผูกขังธหน้ า, าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็เลยปล่อยวางทั้งร่างกายกายเนื้อภายนอกนี่และกายจิตภายในไม่หลงยึดถือว่ามีตัวเราซึ่งเป็นเป็นตัวตนของเราจริงๆอยู่ในร่างกายของเราหรือไม่ยึดถือเอาร่างกายของเราเป็นตัวเราก็ปล่อยวางก็จะไม่ใจก็จะว่างเปล่าจากตัวตน เวลาตายแล้วก็ไม่มีใครมาเอาไปไหนกายก็หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าธรรมชาติป่อยทั้งกายรอดไก่ไหนถูกต้องถูก ต, ต, ต, ต้องไม่งั้นมันจะมีเหลือกายในเหลืออยู่เรียกว่ากายจิตหรือจิตแต่สังขารปล่อยวาทั้งกายกายแตสังขารและปล่อยว่างทั้งจิตแต่สังขารเรียกว่ากายเนื้อกับกายกายจิตหรือต้องแต่นี่มันเราโยมเนี่ย ไปล่วางร่างกายกายเนื้อไม่ห่วงใยแล้วปล่อยมันตายไปมารับจนไปมารับจนไป <c oughs> แสดงว่ามันยังยึดถือกายจิต <c oughs> กายเนื้อไม่ห่วงใยแล้วยังยึดถือกายจิตว่ากายจิตนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเลยเราให้เรียกให้คนอื่นเขามารับเอากายจิตเราไปเอาตัวเราไป <c oughs> เราต้องสิ้นหลงตวนี้จริงนะว่ากายจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใชดตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรายังติดตนอยู่ยังหลงตนอยู่กายในอยู่หลงจิตกายในกายจิตทีจิตจสังขาร ต้องปล่วางจิตตัสารหรือป่อยวางกายในวิธีว่าไม่ใช่เรา <im it> ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเร า, <อ>เรากายในเนี่ยกายจิตตัสารก็ดับไปเหมือนกายเนื้อมันกันต้องดับไปเหมือนกันแต่เราไม่รู้สึกว่ามันดับไป<อ>เลยเราไปยึดมันเป็นตัวเราพ อ, อสิ้นยึดทั้งกายเนื้อและกายจิตก็ไม่มีใครมารับเราไปเราหายตัวไป<อ>ตายเองเลยเายตัวไปหรือเปไปเหมือนกับเปลวไฟที่สิ้นเชื้อดับแทบหายไปที่เอพระโคติกาที่ท่านเชิดคอตา ย, ตาย <บ> <PTSD> จะมาตูจะมาเอากายจิตของท่านไปลงโทษเพราะกายเนื้อไปไม่ได้กายเน well ื cry, <czy> <sh> ้อมันเน่าแต่กายจิตท่านยังยึดถืออยู่ก็จะเอาไปแต่พอท่านตอนระหว่างที่ท่านเฉื่อก่อตายท่านเกิดเป็นลูกอรหันท่านปล่อยวางกายจิตได้กายเนื้อได้เมื่สิ้นบูญยึดบ้านถึงมัานว่าบรรลุพรนิพพานเลยจิตวิญญาณของท่านเลยดับหายไปไม่มีกายเนื้อไม่มีกายกายจิตที่เหลืออีกไม่มีตัวตนที่เหลืออยู่ดับหายไปเลยดับความเป็นตัวตนหายไปหายตัวไปเลยในธรรมชาติ พวกยมทูตมาหาหาหาไม่เจอหาตัวตนของหาจิตวิญญาณของพระโคติกาไม่เจอไปถามพระพุทธเจ้าว่าจิตหรือวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอพุทธเจ้าบอกจิตครัจิตหรือวิญญาณของพระโคติกาพระโคติกาเป็ลูกอหรหันแล้วจิตวิญญาณพระโคติกาหายหตัวไปเหมือนดับเปลวไฟที่สิ้นเชื้อหรือเหมือนอย่างเปลวไฟเทียนที่จุดอยู่ต่อหน้านแล้วก็ถูกเป่าดับพึบหายไป hmm. ไม่เหลือตัวเหลือตนต้องเป็นอย่างนั้นนะ ค่ะดู่ปุ่นาษาญีุ่่นภาษาญี่ป่นานฐาี้ก็ในการนวัตการมนะอาจารพิธีการเจริญสติวิพัฒนาเจริญจิเราควรจะรู้สภาวธรรมหรือรู้อะไร รู้ใจเจ้าของอะไรรู้ใจเจ้าของอะไรอยู่กับรู้อย่าไปอย่าไปยึดอะไรทั้งหมดออยู่กับรู้อย่างเดียวได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้แต่ไม่ยึดอะไรทุกอย่างนได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่สักแต่ว่ารู้แต่ไม่ยึดอะไรเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรล่ะแค่รู้หรือเหมือนแค่เห็นน่ะแค่เห็นเหมือนกับว่าอะไรอ่ะสมมุติว่าเข้าแสดงสินค้าอะไรสังอย่างนึงไงเขาบอกว่างานเนี้ยไม่มีการขายให้ไปดูอย่างเดียว อย่างนั้นแหละก็คือไม่ว่าสินค้าจะสวยยังไงแต่งานเนี้ยเขาไม่มีการขายสินค้าเขาให้เราไปได้ได้แค่เห็นได้แค่ดูเฉยเฉยเนี่ยเรียกว่าได้แค่ดูได้แค่เห็นได้แค่รู้ห้ามห้ามซื้อห้ามขายเอามาไม่ได้ได้แต่แค่ดูแค่รู้แค่เห็นนั่นแหละให้อยู่กับแค่ดูแค่รู้แค่เห็นในทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นในใจเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรู้ภายนอกก็ให้แค่ได้ดูได้รู้ได้เห็นเหมือนกับว่าเขาแสดงสินค้า แล้วสินค้าน no so, so, so, so ี so, ่เขาบอกว่างานนี้ไม่มีการขายไม่ว่าจะมันจะโอ้ยมีการแสดงสินค้าอะไรมากมาใหญ่โตแต่เข้ามาโชว์เฉยๆสมมุติว่าต่างประเทศเขาส่งมาโชว์เฉยๆเอามาโชว์เอามาแสดงเฉยๆแต่ไปซื้อไม่ได้ได้แต่แค่ดูเขาเฉยๆได้แต่แค่ได้ดูแค่ได้รู้แค่ได้เห็นอันนั้นแน่ทางตาเราเนี่ยให้มีความเป็นอยู่แค่ได้เห็นหูก็มีความเป็นอยู่แค่ได้ยินแค่ได้รู้แค่ได้เห็นแล้วก็แค่รู้ทำใจ แค่ได้รู้แค่ได้เห็นแค่ได้รับรู้ทางกาได้รับรู้เออแล้วก็มันรู้แจ้งแล้วก็แค่ได้แค่ได้แต่ว่ารู้แจ้งทางใจเท่านั้เออได้แต่แค่รู้แจ้งได้แต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้อย่างเดียวเหมือนกับงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศเขาส่งสินค้ามาแสดงในเมืองไทยมาโชว์แต่ไม่ซื้อขายแค่ดูอย่างเดียวจะแค่ดูแค่รู้แค่เห็นอยู่กับแค่ดูแค่รู้แค่เห็นแล้วปล่อยทุกอย่างดับไปเนื้อแต่แค่ดูแค่รู้แค่เหไม่ยึดอะไรก็จะไม่เอาอะไรไปไม่ห่วงใยไม่กังวล ได้แต่แค่ดูแค่รู้แค่เห็นดังนั้นไม่ห่วงใหญ่ไม่กังวลคือเมื่อต่างชาติเขาเอามาให้ดูเสร็จเขาต้องเอากลับของเขาไปได้แต่แค่ดูแค่รู้แค่เห็ไม่ได้ห่วงใหญ่ไม่กังวลเหมือนกับที่เ้าเอาเอประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาเอเกระเช้ที่บอกว่าขณะที่เขาเอากระเช้วแก้วอุตตเจ้าใช่ไหมค่ะกาแสดงในประเทศไทยเร็ทุกคนไปก็แค่ได้ดูแค่ได้รู้แค่ได้เห็นดังนั้นเน่ยเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเรา เมื่อเวลาเขาให้ดูเสร็จหมดเวลาเขาต้องเอากลับไปทุกคนก็ไม่หไม่หวงไม่ห่วงใยไม่กังวลนั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยเหมือนก่าของสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราแล้ว<อ>เราจะยึดร่างกายนี้ไม่ใช่ของของเราจิตนี้ไม่ใช่ของของเรา<อ>เราก็เลยไม่ห่วงไม่กังวล<อ>แต่ถ้าเราคิดว่ายึดว่าร่างกายนี้เป็นของของเราจิตนี้เป็นของของเราเวลาเขาจะเอาไปเราจะห่วงเราจะกังวลจะกัไว้กับ พระธาตุเกี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของประเทศเราเวลาเขาเจ้ากลับคืนไปแสดงหมดเวลาแล้วเราก็ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์เพราะว่าเราเห็นว่าไม่ใช่ของของเราเมื่อไหรที่เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของของเราจิตนี้ไม่ใช่ของของเราเราก็จะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวลปล่อยมันดับไปทั้งกายและจิต แล้วก็ดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือคือดับใจที่หมดห่วงหมดห่วงหมดกังวลหมดทุกข์เขาเรียกว่าหลับทั้งตานอกหลับทั้งตาในอย่างเงี้ยนอนหลับทั้งตานอกนอนหลับทั้งตาอย่างนี้แถวเลยอย่างนี้แถวหนึ่งฝึกไวนะฝึกก่อนตายนะพยายามแเป็นแบบนี้ก่อนตายจะได้แค่ไหนยังไม่รู้มันหลับมันเผลอสติกันวันนึงมันก็เผลอสติบ้างอะไรบ้าง แค่ไหนต้องฝึกไว้นะฝึกให้ตายก่อนตายนะตอบไปแ ล, แล้วมีอีกอ่นานหนึ่งเก่ากาธรัสะกากันโยีคนหนึ่งนะคะเขาพิานณาดีไม่ไม่ไม่ไมไมยากเกินไม่ขาดแพ้นขาดแพ้นอะไรแต่ว่าชอบรักขบวนเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นนิสัยสันดาปเก่าติดติดมาเพื่อนบ้านกันอนะ แต่ตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วแหะแต่เอาอย่างถามอย่างทราบข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขามีพร้อมทำไมเขาจะมาไมนเป็นนนิสัยเมื่อก่อนนี้ลูกตาก็มีเพื่อนเป็นลูกคนมีเงินด้วยตั้งแต่เป็นตักเรียนมาตั้งแต่เป็นตั้งเรียนมาด้วยกันแล้วก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขาตั้งไว้เลยในใจของเขาเนี่ยเขาออกจากบ้านไปเนี่ยเขาจะต้องไปหยิบของอะไรครับเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยว่าถ้าเขาไปเอาของอะไรของของใครมาโดยที่ สามารถเอาต่อหน้าต่อตาได้เนี่ยโดยที่เจ้าของไม่เห็นเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจมีความสุขมากเลยแล้วก็เอามาโชว์อยู่นั่นแหละเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอนเออก็เป็นบาปเป็นกรรมแต่มันมันเป็นนิสัยสันดานยังไงก็ไม่ทราบมันมันไม่ยอมหายแก้ไหก็ไม่แก้ไม่ได้ขายของเลยขายไปเจะาเจ้ากเอาไปแต่โยก็ไม่สนใจคือวันใจเนาะแล้วเอาอะไรชนอบนะคะเขาบอกหมูเลยเขาใส่กระเป๋าไปยังนั่นยงี้เลย เราต้องใจใจเขาจะไม่เป็นใสไปังไปใสใสสตานติดติดมาแก้ไม่หายนะคะเออมันมันมันแก้ไม่หายเราก็แก้ดีใจเจ้าของมันเป็นบาปเป็นกรรมติดเขาไปอีกแหละแต่ไม่ค่าม่ขายอะไรจะเข้าลามเนี้ยมาถึงท่เนี่เขาที่หดแอบ์ก็เลยสองก็บอกก่อนแล้วก็ซื้อกระบอกอีกคือเขาเอเพื่อนหนุ่มกันมีความรู้ความสุขมากเลยสามารถหยิบได้ต่อหน้าต่อตา เจ้าของเนี่ยจะมีความสุขมากเลยแล้วมาโชว์เนี่ยเพราะว่าเนี่ยแต่บางอย่างว่าที่จริงแล้วเขาเขาพร้อมมากทุกอย่างพร้อมแบบนี้ใส่สันดานแบบนี้มีเมันทําให้แบบตระกูลเสียหน้าหน้าอายแบบนี้ใสยสันดานอาสวะเรียกอาสวะหรืออนุสัยนิสัยสันดาลที่ติดจิตประการของความชาติก็เรียกกิเลสไหก็กิเลสอะไร ยืนยันได้ยืนยันอะไรหมดจอถาแล้วถ้าปล่อยวางแล้วจะเหลืออะไรแล้วก็ไม่มีธรรมะอะไรแล้วสุดสุดแล้วการปล่อยวางนั่นแหละอยากฟังตัวผู้รู้อีกรอบหนึ่งผู้รู้เหรออยากฟังตัวผู้รู้ก็ก็ก็พูดไปแล้วนั่นแหละผู้ที่จะขอผู้รู้ก็คือขอให้อยู่กับผู้รู้หรือว่าแค่รู้หรือแค่ได้รู้แค่ได้เห็นแค่ให้ได้ยิน แค่ได้รู้แค่ได้เห็นแค่ได้ยินรู้แจ้งก็แค่ให้ได้รู้แจ้งคือรู้แจ้งแล้วเอาเข้าใจแล้วรู้ชัดแจ๋วเลยเหมือนกับหงายของที่มันปิดหงายขึ้นรู้ชัดเจนถึงใจเลยก็ได้แต่แค่รู้แค่รู้แค่เห็นแค่รู้แจ้งคือไม่ติดอะไรไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยแม้แต่รู้แจ้งก็ได้แต่แค่รู้แจ้งไม่ใช่ว่าตัวเรารู้แจ้งแล้วตัวเรารู้แจ้งแล้วไม่มีมีแต่ว่าได้ได้แต่แค่รู้ไม่มีตัวเรา อ oh. ม่มีตัวตนของเราก็เหมือนกับว่าเนี่ยต้องลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนกับนี่แนะที่เขาเอาพระธาตุศิลปประเทศศลป์ลกาเอาพระธาตุแก้วแก้วมาโชว์มาโชว์ที่ประเทศไทยนั่นแหละเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ของของเราพระธาตุแก้วแก้วนี้ไม่ใช่ของของเราอันเราก็จะไม่หวงไม่หวงไม่ยึดไว้ไม่กมังวลก็ไม่ไม่ยึด เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่ยึดไว้ไม่ยึดไว้ก็ไม่หวงไม่ห่วงไม่กังวลไม่เป็นทุกข์เขาจะเอากลับไปก็ไม่เป็นทุกข์ให้อยู่กับรู้นี่แน่ได้แต่รู้ที่ว่าได้แต่แค่รู้รู้รู้แล้วทาทํอะไรเราเรารู้เรารู้เรารู้แต่ว่าเราวางเฉยได้ก็รู้ก็คือต้องเห็นว่าร่างกายและจิตใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวส่วนของเราอย่างที่โยอมยอมรับสภาพว่าร่างกายจะตายแล้ว เราแก่แล้วร่างกายก็เริ่มหมดสภาพแล้วยมไม่ห่วงร่างกายแล้วพราะยมมีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุพังสลายต้องหมดสภาพเมื่อถึงกาลเวลาแล้วยมก็เลยไม่ห่วงโยมก็เลยเรียกเทวดาว่ามารับเอาฉันไปทีฉันเบื่อร่างกายแล้วฉันแก่แล้วฉันเจ็บป่วยแล้วฉันเบื่อที่จะอยู่แล้วฉันเนี่ยอยู่มานานแล้วฉันแก่พอแล้วเอาฉันไปทีเอาฉันไปที อย่างนี้แสดงว่าโยมเนี่ยไม่อ้วงไม่กังวงลร่างกายแล้วแต่โยมยังเข้าใจผิดคือโยมยังยึดถือกายจิตหรือจิตแต่รังขานกายในเนี่ยเรียกว่ากายในกายเนื้อเรียกว่ากายนอก<ฆ>โยมยังยึดถือเอากายในคือข้างในเนี่ยมีตัวเรามีตัวตนของเราอยู่โยมยังเข้าใจผิดเป็นอวิชชา<ฆ>เออเป็นอวิชชาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดโยมต้องเปลี่ยนความเห็นให้ถูกก่อนก่อนที่จะตายว่า เราไม่มีเราไม่มีตัวตนมีแต่รู้ได้แต่แค่รู้มีแต่สภาพรู้คือได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่เห็นได้แต่แค่ได้ยินนั่นแน่ที่บอกว่าได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้จริงเดียวได้แต่แค่รู้แค่เห็นแค่ได้ยินเหมือนกับว่าเขาเอาประทาตุเที่ยวแก้วของประเทศไทีนักการมาแสดงเมืองไทยอ่ะเขาให้ได้ได้แค่รู้แค่เห็นนั่นแนะจะไปเอาเขาไม่ได้ได้แต่แค่รู้แค่เห็นฉะนั้นเนี่ยให้อยู่กับได้แค่รู้แค่เห็น ไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่ห่วงไม่ไม่กังวลอะไรแต่แต่แค่รู้ก็เห็นได้ก็มาถ้าเกี้ยวแก้วที่เขาาแสดงหีืลังกาแสดงที่ประเทศไทยเราก็ได้แต่แค่ไปดูไปรู้ไปเห็นแต่ไปยึดถือไม่ได้ไปเอาไม่ได้เราก็จะไม่ห่วงไม่ไม่กังวลอันเนี้ยจะโยมไปยึดถือเอากายในเป็นเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราต้องเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเราก็เลยไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กังวลไม่มีตัวเราออกจากล่างนี้ไปเราต้องรู้สึกเสมอว่า ไม่มีตัวเราที่จะออกจากล่างนี้ไปไม่เหลืออะไรใจหรือจิตสภาพเดินมาแท้หรือวิญญาณตั้งเดินมาแท้จิสภาพเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลจะมีแต่ความรู้แต่กุศลบัติของเขาเป็นความว่างเปล่าที่มีแต่ความรู้แต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีมีแต่กุศลบัติของเขาคือความว่างเปล่าเช่นเดียวกับธรรมชาติจักรวาลมันเลยคืนหายไปในธรรมชาติจักรวาล แต่ความว่างเปล่าธรรมชาติจักรวาลเนี่ยเป็นแต่ความว่างไม่มีความรู้แต่วิญญาณวิญญาณธาตุเนี่ยภาษาแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้ดะงั้นวิญญาณธาตุเนี่ยก็คือเป็นธาตุรู้ธาตุรู้แต่ธาตุเนี่ยไม่ได้เป็นก้อนธาตุนี่คือคุณสมบัติของเขาเป็นความว่างเช่นเดียวกับธรรมชาติแล้วก็มีคุณสมบัติได้แต่รู้เป็นแต่แค่รู้แค่เห็นแค่รู้แค่รู้เหมือนกับว่าที่ก็พระธาตุเกลียวแก้วพระพุทธเจ้ามาแสดงที่ ประเทศไทยได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้แค่ดูแค่เห็นเขาเขาเฉยๆไปเอาเข้าไปได้เนี่ยเพรเห็นว่าไม่ใช่ของของเราต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจิตนี้ไม่ใช่ของเราในร่างกายในจิตนี้ไม่มีตัวตนของเราวางให้หมดเลยวางให้หมดแล้วก็พร้อมที่จะกลับคืนสู่ความรู้ที่ว่างเปล่าได้แต่แค่รู้ตัวเรา่อ้วางหมดไม่ยึดถืออะไรออกไปได้ให้มีความเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้คือ สุดอดแห่งทำแล้วไม่มีทำเหนือกว่านี้แล้วแล้วจะวังทำอะไรจะละได้แก่ใจมันยังละไม่ได้งีพอก็ไปคอยลากไปนะไปวางข้างไปเพราะว่าไปวางกายได้แล้วก็เหลือไปวางจิตไอเห็นตัวเราเนี่ยที่มีความคิดรู้สึกต่อปรุงแต่งได้มีอารมณ์ได้ไม่ใช่ตัวเราไอตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกนละคิดอามได้ปรุงแต่งได้ไม่ใช่ตัวเราต้องใหเห็นอยู่อย่างนี้ว่าไอตัวเนี้เป็นตัวปรุงแต่งโดยกับกายเนื้อนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วไม่ใช่ดับแต่ร่างกาย ไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มีความปรุงแต่งได้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องดับไปเหมือนกันนะไม่มีใครว่าจะช่องเรียกใครมารับเราอีกต่อไปแล้วไม่มีไม่มีตัวเราหรือต้องเปลี่ยนใหม่นี่เรียกว่าขาดปัญญาใช่ไหมเออขาดปัญญาขาดปัญญ า, ญญามันเป็นมันเป็นวิชาที่ทีควาเห็นผิดเป็นอาวิชาเป็นอาวิชาดีนะไม่ตายไปตอนนั้นน่ะเหลือมาถามลุงตาเนี่ยเอ ยเหลือมาแลต้องจะไม่กี่วันนี้ดีนะดีว่าใส่บาตรได้ไอ้ชันก่อนเนี่ยตาฮะสิีที่สะพ้ายอ่ะเขาเขาป่วยนอนเก็บเตียงอยู่แล้วโยนจะจัดสังฆทานจะถวายให้กับเจ้ากรรมในเรือนจะถูกต้องไหมคะก็ได้ก็ให้เขาอธิษฐานไอ้เขาก็อธิษฐานในพ้นทุกในปัจจุบันนี่แน่ไอ้อธิษฐานคือให้เขารู้ว่า ให้เขาได้รับรู้ว่าเนี่ยเขาตั้งใจถวายสักการะเนี้ก็ได้รับรู้แต่โยมโยมเป็นทําให้ก็แต่ต้องให้เขารู้ไหมแต่ว่าตรงนี้ให้รับเข้ามาแล้วก็จะพาเขาไปด้วยให้ไปถวายเองอ๋อก็ได้แต่ตัวเขาถวายก็ได้แหละแต่ใหตัวไปถวายเองที่วัดสวนก็ให้เขามีส่วนด้วยบ้างก็ได้เราจะไปทําให้เขาหมดแต่เขาไม่มีส่วนเลยให้เขาร่วมทั้งนิดหน่อยเดี๋ยวให้เขาซักกระเปาโชว์มาใส่ได้ใช่ใช่ใ่ต้องแอันนี้เรียกว่าให้เจ้ากรรมเวทนารีนี่ กับการมนเรียนจะได้รับไหมคอ Lang ืมมก็เด็ดมันก็อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลบุญที่เราให้เนี่ยมันพอจะได้รับหรือเปล่าล่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วก็อยู่พอภูมิใด <Okay. S 2> แล้วที่เราใายมันก็ได้แล้วแหละแต่แล้วมันจะได้มากได้น้อยได้ไงก็แล้วแต่ว่า <Okay. S 2> กับเวรที่ทําก่อนไ้มันหนักหน า, นานสหัสขนาดไหนนั่นแหละค่ะเราแค่ทําสักาตารก็บุญเล็กเล็กน้อยไม่ได้ <Okay. S 2> ปฏิบัติภาวนาจนถึงจิตสมาธิสงบคือขั้นสมถะธรรมฐานคืองู ไอ้สงบถึงขั้นไอ้ใจสงแบแป๊บหนึ่งแข่งอุตวัติดินช้างกา็กดีขูกว่าอธิสงาสูงกว่าการให้ทานรักษาศีแล้วแต่ถ้าเราเลยจับสมถะก็ไปเลยจิตสงบก็ไปจนถึงปล่อยวางรังขาลากาจิตใจของเราแค่ขนาดจิตหนึ่งก็อธิสฐสนสูงมหาศาลแล้เนี่ย